จำนวนศูนย์ถพูดว่าจำนวนศูนย์ถ้าจํามากกว่ามันถ้าเป็นถ้าเปรียบเทียบนะมันอะไรวะคือเหมือนกับลูกจ้างรายวันนี่ไทํางานโดยปริมาณวันเนี่ยมากไหนๆก็เช้าตามเย็นตามอยู่ดิงานงานนี่แทบไม่ทําไม่ขาดเลยอะ แต่ว่ารายวันก็ก็คิดดูนะว่าเราจําอะไรได้บ้างอ่ะนะถ้าเทียบกับเขาอ่ะนะของเขาเนี่ยเขากลับไปรา่าสมมติว่าฟังที่วัดเนี่ยกลับไปเล่าให้ลูกหลานที่บ้านฟังได้หมดเลยที่ว่าไปทั้งหมดเนี่ยของเรานี่ก็นึกไม่ค่อยออกมันแตกต่างกันมากถ้าเป็นบันทึกเครื่องบันทึกก็เก็บไม่ค่อยอยู่อะนะเป็นแบตเตอรี่ก็ชาร์จแล้วก็อ้าไฟหายหมด ชาร์จก็ไม่ค่อยเข้าอยู่แล้วเข้าแล้วก็วเก็บไม่อยู่เองอคือไม่ได้ว่ายมอย่างเนี้ยนะขอมาก็เป็นแต่ก็น่าจะเป็นมากกว่าโยมด้วย ค, คิดคิดดูแล้วนะ<ม>เพราะว่ามีเวลาอยู่กับเรื่องนี้ค่อนข้างมากอะแต่ว่านั้นได้ไม่เท่าไหร<ม>่นั่นๆอะไร ไม่เป็นที่พอใจเลยเวลาก็จำกัดแล้วก็ใครจะอยู่ร้อยปีบ้างอะนะเพราะคุณภาพชีวิตเนี่ยนะแต่ละวันเนี่ยมันจะลดลงทุกทุกที่วันจริงก็ลดลงทุกวันอยู่แล้วนนะคุณภาพของอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยเนี่ยนะจากขุนซีโสตินซีคานินซีชิวหินซีกายินซีเนี่ย คุณ ภ, ภาพมันลดลงทุกวันทุกวันนันะ่นนะก็ว่าผู้การไปคร้างหนึ่งแล้วเดือนที่แล้วก็นับสองพันนะนะมามาเดือนนี้ก็นับสองพันอีกปีหน้าก็จะนับอีกสองพันอีกอยู่ดีไม่มีลดเลยวันก่อนโน้นบอกว่าพันเก้าอันนี้มาเลิศได้สองพันอีกแล้ว เราให้ฟังอะ น, นะว่าทำไมมันตัวเลขมันเหมือนเดิมหมดตัวเลขมันไม่นั้นไม่มีเปลี่ยนเลยนรดอวันนียังคุณภาพด้อยลงไปด้อยลงไปคือคมตีดีๆนะว่าเรามาคุยกันเองนะถ้าเป็นแบบโห เป็นพพูดสมัยพุทธกาลเนี่ยพระ อ, องค์บอกโอหประมาทมากพระ อ, องค์บอกว่าพระพิสุรูปใดที่คิดว่าโอ้โหโอ้หนอเราเพิ่งมีชีวิตอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยพระ อ, องค์ยังว่าประมาทมากเลยต้องมีชีวิตอยู่เนี่ย ส, สักสี่คำข้าวเนี่ยประมาณเนี่ยจึงจะค่อยยังชั่วเนละหรือมีชีวิตอยู่ชั่วลมหายใจเข้าลมหายใจออกกนะันไหมถ้าอย่างนี้มันจะเพียนมากแต่อย่างว่านะของเราก็ไม่ค่อยได้รีบร้อนะอะไร เล่นขัดสีเวีวันศีลนี่มันดีนที่สุดน่ารันนะพนเือกนี้แล้วเือกใหม่เขว่าไปอีกนะคือพอสนใจเรื่องศีลจริงๆแล้วก็ยังทำไม่เห็นว่ายังต้องยังต้องขัดเราต้องต้องอะไรต้องเจริญอีกมาก เพราะศีลมีหลายระดับลวเลยยังถ้าไม่ไม่ไม่มาตึกไม่มาคิดก็ดูแล้วเออแล้วก็<ม>พอมีศีนเลยนะแต่พอมาตึกตึกแล้วศีนสมมติว่ามีร้อยนี่ ย, เ, ยเรา<ม>เราเข้าใจเราปฏิบัติได้สักสามสิบยี่สิบสามสิบได้หรือเปล่าเพราะมีสิ่งที่จะต้องต้องทําความเข้าใจต้องฝึกไปเยอะกันศีนเนี่ยเจริญให้ให้เพียงพอเนี่ยคือศีนในอรหัตมรรม เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกเขามีศีลบริบูรณ์นะเขาก็บอกว่าเข้าก็บอกเขาเป็นผ้าอรหันเพราะว่าถ้าเป็นเก้าอี้สามขานะเช่นเหมือนขาไ ม, ม้นี่ศีลมันหนึ่งในสามที่ที่จะให้ถึงความพ้นทุกเนี่ยนะท่านผู้ที่มีศีลบริบูรณ์จริงๆก็คือเนี่ยในขณะ ม, มักพราะวีรตีเนี่ยเกิดในขณะ ม, มักไม่ใช่ว่าหยุดอยู่แค่ธรรมดานี่ยนะแล้วก็ องทำทุกองทำอ่ะนะในองค์มร์แปดก็คือศีลทั้งหมดอีกนั่นแหละอันท่าจะเอาศีลแบบแบบสูงสุดศีลที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นั้นอ่ะจึงไม่ใช่ข้อใดข้อหนึ่งเหมือนไงแต่ข้อใดข้อหนึ่งโดยทั่วๆไปก็คือเขาตั้งเกรดเอาไว้ในระดับล่างอ่ะนะแค่นี้ก่อนนะ่ะพอที่จะปิดอบายก่อนเนะี่ยเขาเขอมองกันโดยมากก็มองแค่นั้นนะแต่ว่าถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นจะทําไงกันเนี่ย เมืเกิดเป็นเทวดาเนี่ยจะอยู่สำนักไหนน้องันเลยไปเป็นมีหัวหน้าเป็นคนพานก็เดือดร้อนไปมีบริวารเป็นคนพานอีกก็เดือดร้อนอีกกันเลยถ้า <c oughs> ไ, ไปพิจารณาดูจริงจรนะินะศีลเข้าไปพัวพันกับสมาธิเข้าไปพัวพันกับปัญญาตามระดับสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปหนีไม่พ้นเข้าไปพัวมาเขาเ ข, ขมาเกี่ยวข้องนะอ่ะเขาไปเกี่ยวข้องนะ ถ้าไม่มีในในในระดับขั้นสมถะหรือว่าปัญญาข้างบนนี่นะฮะสินสินก็ไม่มั่นคงศีลก็ไม่ไม่ไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่ไม่เป็นพละ็นี้ไม่พ้นเรื่องจิตเพราะมันมาจากจิตนะก<ส>็ดูนะอย่างวันในวันอุโบสถนะคือเรามีถ้าคนที่จะสินจะเพื่อจะบริบูรณ์นะ เขามีความสุขมากที่จะได้รักษาสิ่งเนี่ยอันนี้คือลักษณะของคนที่เอ่อที่เขาเขาเขาเจริญสิ่งอย่างคนมีทรัพย์แบบทูตพูดถึงทางโลกนะวันไหนที่วันที่เขาได้ทรัพย์คือวันที่เขามีความสุข ไ, ไหมโดยทั่วทไปนะจะเอิบอิ่มในทางคําสอนก็เหมือนกันสีนเนี่ยเป็นทรัพย์อย่างวันนี้วันอุโบสถเนี่ยเรามีความนึกว่ามีวันนี้ดีมากมีความสุขจริงๆยอย่าง้อยีลเนี่ ย, นนยขึ้น เห็นคุณของกุศลธรรมมากขึ้นถ้าอย่างนี้ก็ใช่ละนั่นนะก็แสดงว่าศีลมั่นคงมากแต่ถ้าโอ้โหเนี่ยเมื่อไหร่จะผ่านวันอุโบสถไปสักทีหนี่ถ้าอย่างนี้ก็เสียหายมาก <c oughs> ในฉันนะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เราฟังไปแล้วนะหน้าหนึ่งร้อยแปด ซึ่งก็เป็นสูตรที่กล่าวถึงพระภิกษุที่ป่วยนี่นเซึ่งก็ผ่านไปเลยนะมาขึ้นปุ่นหน้าสูตรเลยนะหน้าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดว่าไปหลายรอบแล้วเออไม่ใช่ ในปุณณสูตรเลยนะปุณณสูตรนี่เหมือนกับมัชิมนิกายมัชิมนิกายก็เนื้อความเหมือนกันหมดนั่นแหละนะครั้งนั้นแหลท่านพระปุณณะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่นแหละนะก็คือไปเพื่อที่จะถามกรรมฐานมาครั้งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรคตร ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมะแก่ข้าพระองค์โดยย่อที่ข้าพระองค์ได้สดับแล้วพึงเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่เถระก็คือไปขอกรรมฐานขอให้พระองค์ให้กรรมฐานเถอะถ้าพระองค์ให้แล้วก็นิพพานแน่งานนี้นพูดแบบสำนวนไทยๆเราอะนะ ถ้าพระองค์แนะนำนะข่าพระองค์จะปฏิบัติให้ได้เลยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยเหมือนกนัไอคำว่ามีใจเดีดเด่ยวหรือมีตนส่งไปเนี่ยมาจากบาลีว่าประหีตัดตัวมีตนส่งไปว่าถ้าพระองค์แนะนําคําสอนให้ข่าพระองค์นะข้าพระองค์จะไปหลีกเล่นจะไปอยู่ผู้เดียวนะจะไม่สนใจใครละไม่คลุกคลีกับใครแล้วก็จะไม่ประมาทคือจะเห็นภัยในกามจะเห็นคุณของเนคขมะแล้วจะมีความเพียรทางกายและทางจิต แล้วก็ไอ้คำว่ามีใจเด็ดเดี่ยวตรงนั้นแปลว่าข้าพระองค์จะไม่อะไรในร่างกายและชีวิตนะเพราะฉะนั้นก็โหเป็นคำขอที่ยิ่งใหญ่มากนะคำขอเนียพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนปุณนะรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสุอันน่าปราถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักอาศัยความใครชวนให้กำหนัดมีอยู่ยนะ ถ้าภิกษุยินดีสรรเสริญผัว พ, พ, พ, พ, พันรูปนั้นเรากล่าวว่าเมื่อภิกษุนั้นยินดีสรรเสริญผัวพันรูปนั้นความเพลิดเพลินก็เกิดดูก่อนปุณนะเพราะความเพลิดเพลินเกิดขึ้นจึงเกิดทุกข์นะนะหรือว่าเพราะความเพราะความเพลิดเพลินเกิดทุกข์เกิดนะปุณนะอันนี้ประกาศสมุทัยสัตว์ประกาศทุกขกับสมุทัยสัตว์ว่าทุกขสัตว์เนี่ยนะ คือสีหรือรูปายตนะเนี่ยเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนับพันรูปนั้น่ะเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไอ้ความกำหนักเกิดนี่แหละอะไรเกิดทุกเกิดหมายถึงทุกในวัฏฏะเนี่ยเกิดนั่นนะพันเท่ากับบอกว่าทุกขสัตว์นี้เป็นอุปาทานขันใช่หเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานพันเมื่อ รูปที่น่าปรารถนาอุปาทานก็เกิดถ้าอุปาทานเกิดก็บ่งถึงว่าทุกเกิดนะนนก็ประกาศสาระเลยนะเพราะจริงๆแล้วปกติทั่วๆไปสัตว์ทั้งหลายก็จะมีตาเพื่อที่จะสแสวงหาสีที่น่าปรารถนาใช่หมว่าโดยรวมเนี่ยเพราะในความที่เพลิดเพลินในสีที่น่าปรารถนาอันนั้นนะคือสมุทัยเพื่อให้มีทุกขต่อไป หรือเพื่อให้มีวัตถทุกข์อีกต่อไปเ <c oughs> สียงเนี่ยนะที่หน้าที่เพึงรู้แจ้งด้วยโสดอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักอาศัยความใคร่ชวนให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยินดีสรรเสริญพัวพันเสียงนั้นเรากล่าวว่าเมื่อพิสูจนนั้นยินดีสรรเสริญพัวพันเสียงนั้นความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้น ดก่อนปุณนะเพราะความเพลิดเพลินเกิดจึงเกิดทุกข์เนี่ย น, นะอันนี้เป็นคํากล่าวแบบถ้าเป็นที่อื่นนะก็จะบอกว่าอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษาเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีหูหรือมีชาติชรามรณะโสกปริเทวาทุกขโทมนัตและอุปาญาต ทีนี้พระ อ, องค์ก็ตรัสแบบย่อๆเ <ๆ S 1> รียกว่าสอนคือจะไม่ใช่พยัญชนะเรียกว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ใช้คําพู้ที่เกินแม้แต่พยัญชนะเดียวหรืออักษรเดียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าบุคคล น, นี้จะเข้าใจพระธรรมโดยใช้พยัญชนะเท่านี้พระ อ, องค์ก็จะใช้เท่านี้จริงๆก็เท่าก็บอกว่าทวารหูเนี่ยนำไปซึ่งวัตุทุกนะทะวารจมูกเนี่ยไไปซึ่งวัตุทุกนะเกลนเนี่ย รถโพธพภะธรรมรมก็เหมือนกันมันพวกนี้นํามาซึ่งวัตถุทุกทั้งนั้นแล้วก็ในโลกนี้มันก็ไม่มีอะไรเพลิดเพลินเกินกว่ารูปเสียงกลิ่นรถโพธาภะและธรรมาร ม, มันนะถว่าโดยอา ร, รมณะปัจจัยมันก็มีอยู่หกอย่างเท่านั้นแหละคือรูปเสียงกลิ่นรถโพธพภะและธรรมารมถามว่าผู้ใดมานสัสการให้พ้นอารมณหกเหล่านี้ทําได้ไหมก็ทําไม่ได้เพราะอารมณหกเหล่านี้นี่แหละ ที่สัตว์ทั้งหลายเพลิดเพลินยินดีอันความเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นอันนั้นเป็นเหตุแห่งแห่งทุกขนะ์นะนั่นแต่ทุกข์ในที่นี้เน้นเอาทุกข์ในวตานงะคือหมายถึงทุกข์ที่ต้องเกิดบ่อยๆนั่นะคือไม่ใช่เน้นเฉพาะทุกข์ที่เห็นเกันอยู่นี้แต่หมายถึงทุกข์ที่จะมีต่อไปในอนาคตคืออย่าลืมว่าพระปิสุทโที่ฟังธรรมในสมัยพุทธกาลโดยทั่วๆไปแล้วอะ เป็นผู้มีปกติชิงชังวัตตะหรือระอาในวัตตะมากเนี่ยนะคือบางท่านมีความรู้สึกเหมือนกับว่าวัตตะเนี่ยเหมือนกับเอาซากศพมาผูกคออยู่ตลอดเนี่ยนะคือเมื่อไหร่มันจะหมดสัทีหนึ่งเมื่อไหร่มันจะจบสัทีหนึ่งมันน่าเบื่อนายเนี่ยนะคือคือมันก็เท่านั้นแหละวางั้นนถอะทีนี้ในบางหลายๆสูตรเนี่ยท่านไม่ปรารถนาแม้กระทั่งการมาคุณอันเป็นทิศเนี่ยนะ คือถามว่าให้ไปปฏิสนธิในสวรรค์ท่านเอาไหมมันไม่เอาอีกนั่นแหละคือคือชิงชังหรือระอิดระอาในอุปาทานขันท่าเนี่ยเป็นอย่างมากชิงชังที่จะต้องมีทวารตาที่จะต้องมีทวารหูมีทวารจมูกมีทวารลิ้นมีทวารกายมีทวารใจเนี่ยถามว่าทำไมท่านจึงเบื่อหน่ายชิงชังคือรู้ว่าปัญหาทั้งมวลเนี่ยนะมันเกิดจากสิ่งเหล่านี้บาลีใช้คําว่าอุปทวะโตทั้งหลายเนี่ยอาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น สมมติถ้าไม่มีตาหูจมูกเล่นกายใจนะสับว่าอุบาทเนี่ยจะมีไหมอีติโตเนี่ยนะก็เกิดไม่ได้ตีติโตแปลว่าอะไรอาจารย์จะสอนอ่าสนีย์ะ น, ยนะจริงทั่วๆไปก็แปลว่าจังไรเห็นไหมคือถ้าไม่มีทวารเหล่านี้นะถามว่าอุปัตถวะหรือว่าสนีย์ทั้งหลายเนี่ยจะเกิดขึ้นไหมทุกทั้งหลายจะเกิดไหมมันก็ไม่เกิดอยู่แล้วมันทํำยังไงที่จะดับ ไม่ให้ไม่ให้มีทวารหรือไม่ให้ต้องรับรู้อารมณ์อีกต่อไปเนี่ยนะทีนี้ไอการที่จะพ้นจากสิ่งเหล่านี้มันจะต้องรู้จักสิ่งเหล่านั้นก่อนที่จะพ้นจากตานี่ก็ต้องรู้จักสีเป็นอย่างดีที่จะพ้นจากหูเนี่ยจะต้องรู้จักเสียงรู้จักจมูกรู้รู้จักกลิ่นรู้จักรสรู้จักผโลธพาารู้จักธรรมรมณ์เป็นอย่างดีจึงจะพ้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เพราะอะไรเพราะว่ารูปปัญหาเป็นเหตุให้มีตาใช่ไหม อันนี้ความเพลิดเพลินในสีเป็นเหตุให้มีตาอันนี้ตรงพุทธพจน์ตรุินี้บอกว่าเพาะความเพลิดเพลินเกิดทุกจึงเกิดนะอันเพลิดเพลินในเสียงก็เพื่อมีหูเพลิดเพลินในกลิ่นก็เพื่อมีจมูกเพลิดเพลินในลิ้นก็เพื่อมีรสเพลิดเพลินในรสเพื่อมีลิ้นเพลิดเพลินในโพธาภาเพื่อมีกายเพลิดเพลินในธรรมารมทั่วทั่วไปก็มีใจทีนี้ถ้าปกติพื้นฐานเราไม่เห็นโทษภัยของอายตนะทั้งภายในทั้งภายนอก ก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะที่จะออกแต่ถ้าสําหรับกับพระปุณณนะเนี่ยนะพระองค์ตรัสก็บอกว่าเนี่ยสมุทฐานของของวัตตะอยู่ตรงนี้นะนนะซึ่งฟังก็รู้เลยว่าโอสมุทฐานของวัตตะคือตั ว, ต, วตัวฉันทราคะในอารมณหกหรือความเพลิดเพลินในอารมณหกนั่นแหละเป็นเหตุแห่งแห่งวัตตะทุกขมันก็จับจุดหรือว่าพอจะสรุปความได้แล้วว่าตัวต้นเหตุแห่งวัตตะทุกก็คือ ความเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายนั่นเองแต่ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปหาตัวอารมณ์นะอารมณ์ก็น่าเพลิดเพลินจริงๆนะถ้าสําหรับผู้ที่ไม่พิจารณานะ่น่าเพลิดเพลินเป็นอย่างมากเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าถ้าเราไปเที่ยวสวนที่เขาแต่งเป็นอย่างดีเนี่ยนะถามมันน่าเพลิดเพลินไหมน่าเพลิดเพลินแต่ทีนี้ถ้าเพลิดเพลินตับ๊บเขายกสวนให้เลยแต่ต้องดูแลเองหมดนะต้นไม้ทุกต้นไงต้องรองดดรน้ำพรวนดินหมดถามเมล็ดพันธุ์หมดดูแลหมดเลยนะ คราวนี้อะไรจะเกิดขึ้นตอนไปเห็นตอนแรกเนี่ยโหโสมมนับเลยเนี่ยแต่พอดูแลปั๊บเนี่ยของเราไปรีสอร์ทอาจจะเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจเลยใช่ไหมถ้าผู้การไปเป็นไงบ้าง <c oughs> ยิ้มแป้เลยใช่ไหมไปถึงนี่ไม่ค่อยแก่เนี่ยนะจากคนละเรื่องเลยอะ่ะเพราะอะไรว่าต้นไม้ทุกต้นมันเป็นที่ตั้งแห่ง มันต้องอาศัยปัใจจัยใช่ไหมถ้าปัจจัยมันขาดมันก็เดือดร้อนเท่นนะเออย่าถ้ามันขาดน้ําอะไรเกิดมันก็เหี่ยวเฉาอ้าวาแล้วน้ําจะมาได้ยังไงอันนี้แหละที่จะต้องต้องมีเหตุมีปัจจัยขึ้นวัตถะทั้งหลายเนี่ยนะมันจะน่าเพลิดเพลิอนอย่างนี้จริงๆในเบื้องต้นเนี่ยน่าเพลิดเพลินเป็นเบื้องต้นแต่จะมีทุกขเนี่ยติดตามมาอย่างอย่างหาที่สุดไม่ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเอานะให้รถหนึ่งคันเลย แต่ว่าในโลกนี้สมมติเราไม่มีอู่ด้วยนะไม่มีอู่ไม่มีที่อะไรทั้งนั้นหนักดูแลหมดซ่อมเองหมดอะไรหมดเลยนะบริหารไปปีแรกอาจจะยิ้มแป้เลยใช่ปีสองยางมันชักแย่แล้วนะปีสามปีสี่ปีห้ายี่สิบปีผ่านไปก็ใช้ไอ้คันเก่าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะพันสัตว์ทั้งหลายพอปฏิสนธิครั้งแรกในภพเนี่ยนะยิ้มแป้เลยนะสมมติว่า ชวนะแรกในวิถีจิตพอปฏิสนธิเนี่ยพอใจกันทั้งนั้นแหละพอใจที่ได้เกิดอนะนะเสร็จแล้ ว, นะลวอาแกเกิดมาเนี่ยนะทีนีเ้เอาไงคะ น, นี้ก็ดูแลไปดูแลไปดูแลไปนะโทษทั้งหลายก็ปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นในตอนแรกเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเพลิดเพลินแต่หลังจากนั้นก็จะนำมาซึ่งโทษหาประมาณไม่ได้ทีนี้เมื่อมีโทษอย่างนี้แล้วเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลาย ปรารถนาจะทิ้งทุกอันนี้เพื่อจะเอาทุกอันใหม่คือโดยปกติน้อยคนนักที่บอกว่าเมื่อไหร่นะจะทิ้งภาระอันนี้แล้วจะไม่ถือเอาภาระอันใหม่เพื่อพูดสัมนวนคุณปิดาก็ได้คือเมื่อไหร่นะเข็มนี้เป็นเข็มสุดท้ายแล้วก็ไม่ต้องใช้เข็มอันใหม่มาฉีดอีกเนี่ยนะก็คือให้ให้มันเป็นลักษณะนั้นคือทิ้งทุกอันนี้แล้วก็ไม่ต้องถือเอาทุกอันใหม่นะนะคือประโยคเมื่อกอเนี่ยเมื่อปีที่แล้ว ไปเยี่ยมคุณปิดาที่โรงพยาบาลนะคุณปิดาก็บอกว่าเออหวังว่าเข็มนี้คงเป็นเข็มสุดท้ายก็ว่ากั้นนะตอนนี้ลืมไปแล้วมั้ง <laughs> ปิดาลืมยังลืมว่าจะต้องมีเข็มอีกตก่อไปนะเนะีนะ่ยนะซึ่งออวัตตะมันเป็นอย่างนี้จริงๆรเนะีนะ่ยนราะปกติของสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นคือเมื่อเมื่อมีทุกข์อันนี้นะเราก็บอกเออมันทุกข์จริงอะ่ะเสร็จแล้วก็ ใจมันก็คิดไว้ลึกๆอีกนะถ้ามีใหม่ก็คงจะดีเนี่ยนะมันก็สร้างความหวังไว้ตลอดเนี่ยนะมีฉันทราคะยิ้มไว้ตลอดเนี่ยนะพอมีอีกก็เดือดร้อนอีกเนี่ยนะพอมดอดเอีกถ้ามีใหม่อีกก็น่าจะดีเนี่ยนะก็ปกติเป็นอย่างนั้นใช้ถามว่าทําไมจึงบอกว่าถ้ามีใหม่ก็ดีเอางี้ถามว่า คิดถึงอนาคตแล้วน่าเบื่อหน่ายไหมล่ะเอาสมมติทำมนาศการวันพรุ่งป ร, รืนหรือสิบปียี่สิบปีข้างหน้าไปเนี่ยเห็นว่ามันเป็นภัยมันเป็นอุปสรรคไหมคือถ้าจะเห็นอีกต่อไปสมมติว่าตื่นเช้ามาที่จะต้องเห็นอีกเนี่ยถ้าโดยอัธยาศัยถือว่าเป็นอุปสรรคไหมถ้าไม่ถือว่าโดยอุปสรรคนั่นแหละคือความเพลิดเพลินแต่เพลิดเพลินเนี่ยนะไอ้เพลิดเพลินแบบอุเบกขาเนี่ยแปลว่าอาหารเนี่ยไม่แปลว่าพอใจไหม ก็ไม่ได้รังเกียจพอทานได้อันนั้นแหละโลภะทั้งนั้นแหละแต่เป็นอุเบกขาเนี่ยนะอุเบกขาที่โลภะมีอุเบกขาสี่ดวงได้ไหมอันนะอุเบกขาสี่ดวงเสื้อผ้าตัวนี้ถามว่าพอใช้ได้บ้านก็พออยู่ได้แต่ไม่รังเกียจนะอันนั้นแหละประกาศถึงโลภะทั้งนั้นแหละ พอดูได้พอฟังได้พอได้ยินได้พอรู้กลิ่นพอรู้รสพอรับกระทบโพธาภะเนี่ยนะคือไม่เลวจนเกินไปนักไอ้ความรู้สึกเหล่านี้แหละเรียกว่าตัญหาที่เรียกว่าเป็นความเพลิดเพลินอนะแต่ว่าบางพวกนี้พอเพลิดเพลินอย่างนั้นอีกไอ้ตันหากระซิบอีกตัวมันก็บอกนะถ้ามีดีกว่านี้อีกไหนก็ดีไอ้ตัวกระซิบอันใหม่ก็เข้ามาอีกเลยนะทีนี้ ไอตัวกระซิบมันบอกว่าเออมีใหม่กว่านี้ไอตัวใหม่มันบอกเออดีนะต้องเอาให้ได้นะครับตันหามันก็จะมีหลายระดับเนี่ยนะคุณภาพความแข็งแรงของมันเนี่ยแตกต่างกันเยอะแต่ว่าไอตัวที่ที่อันตรายที่สุดเนี่ยคือตัวเพลิดเพลินเหมือนกับเป็นพื้นๆเนี่ยนะไอตัวเขาเรียกว่าพอใจอ่ะเนี่ยนะแค่พอใจหรือเพลิดเพลินเนี่ยหรือเรียกว่าสบายใจทั้งหลายแหลเนี่ยนี่กลุ่มตันหาทั้งนั้นอันนั้นแหละที่จะเป็น เป็นรากอย่างดีเป็นวัตถุดิบเป็นอาหารอย่างดีที่จะให้มีตันหาที่มีกําลังอีกต่อไปต่อไปอนี่แหละคือมันน่าเบื่อหนา่ายที่ว่าทํำแล้วมันไม่มีจกจบจบีกสิ้นเลยไอ้ไอ้เรื่องทางลกโลกนี่มันมันน่าเบื่อหนา่ายตรงนี้อุปาทานขันเนี่ยเป็นอย่างนั้นไม่มีจ บ, มจบไม่มีสิ้นผมเข้ามาในรีสอร์ทนะผมจะสังเกตเลยตรงนี้ผมเคยทําแล้ว สวยก่อนนี้เดี๋ยวนี้มันหลกอีกแล้วอะไรเงี้ยนะผมสังเกต ด, ดูทุกแห่งเลยนะจุดนี้เคยทําแล้วเคยสั่งคนนู้นทําคนนี้ทำแล้วมันน่าท้อใจจริ ง, รงๆนะมันทําแล้วมันไม่มีความยั่งยืนเลยแม่ของโยมก็แม่บ้านก็ต้องคิดใหม่ผ้านนี้เมื่อวานก็ซักแล้ววันนี้ก็มาซักอีกแล้วเนี่ยนะชามใบนี้ก็ล้างแล้วเมือม่อเมือ่อมื้อที่แล้วเนี่ยนี่มาล้างอีกแล้วเนี่ยนะ พื้นบ้านอันนี้ก็พึ่งถูไปหยกๆนี่จะถูอีกแล้วเนี่ยนะเนี่ยอาบน้ําก็ต้องอาบอีกแล้วเนี่ยได้เวลาทานอีกแล้วเนี่ยนะก็จริงๆแล้วมันมันทั้งหมดนี่แหละเสร็จแล้วก็พอบริหารนี่ต้องเห็นอีกแล้วนี่ต้องได้ยินอีกแล้วเนี่ยนะก็ก็อย่างนี้แหละมัะตตาทั้งหลายคือถ้าเบื่อก็ไหนๆก็จะเบื่อก็เบื่อให้มันหมดเลยนะอย่าไปเอามันสักอย่างเคยคิดถึงพ่อแม่เราเนยโดยเฉพาะแม่เนี่ย ทำกับข้าวทุกมือนะทำอาหารทุกมือนะแล้วไออาหารพลาสติกถุงพลาสติกไม่มีสมัยก่อนนี่ครับแล้วแกงทีต้องขูดมะพร้าวําน้ำพริกโอ้โหแล้วแต่ทุกมือเลยแล้วมาละสามมือเนี่ยแหละทำเสร็จมือหนึ่งแล้วคิดแล้วมื้อหน้าจะทําอะไรอีกเนี่ยต้องต้องไปหามาทาเตรียวมาทําอีกโอ้โหมันพารล้นหน้าด้วยเลยนะดีนะแต่เป็นโบราณแต่การนั้นีก็จะต้อง เตรียมข้าวสารอีกเอยเอาข้าวมาซ้อมอีกเพื่อให้มีข้าวสารเนี่ยรอไ ป, ปไไฟืนหมดไปหาฟืนสมัยที่ไม่มีน้ํำตานี่ก็ต้องไปหาบน้ํามาใส่ไว้เนี่ยนะแต่ขนาดนั้นนะสัตว์ก็ไม่ได้เบื่อหน่ายในวะตฏมากขึ้นอะไรใช่ไหมหวังว่าสิ่งเหล่านี้มันจะสะดวกขึ้นเนี่ย น, นะ ก, ก็มีแต่คิดลักษณะนั้นนะอันตัรหานี่จริงเป็นเหตุแห่งความปรารถนาจริงๆอย่างของเราทั้งหลายก็จะต้องเวียนกลับไปสู่สภาพแบบนั้นอยู่แล้ว เพราะอย่างวัตถุดิบในโลกนะที่มีใช้กันอยู่เนี่ยมันปริมาณไม่กี่ปีเดี๋ยวก็หมดห ล, หลายเรื่องก็จะหมดแล้วใช่ไหมอย่างปุ๋ยเคมีเนี่ยจะอยู่อีกกี่ร้อยปีดีจะวินิจนะวันวันก่อนหมอมาลบเล่าให้ฟังว่าถ้าใช้กันอย่างทุกวันนี่ปริมาณอีกสักหกสิบปีทั้งหน้าปุ๋ยเคมีจะหมดในโลกนะแล้ววัตถุอื่นๆเนี่ยอย่างน้ํามันเนี่ยขุดมาเผาผลาญวันขนาดนี่ น, นะนนอีกกี่ปีก็หมดแล้วใช่ไหมน้ํามันเนี่ยจะหมดแล้ว แล้วก็ทุกอย่างเอามาถลุงกันเล่นกันขนาดนี้นะจะไม่มีอะไรเหลือบ้างนะต้นไม้ก็เผากันขนาดนี้มันก็ไม่แทบไม่เหลือแนละ้วงั้นก็วัตถุดิบในโลกมันก็จะค่อยๆหมดไปเรื่อยหนักหนักในที่สุดก็กลับไปใช้ตะเกียงเหมือนรุ่นโบราณอีกนะไหนะเพราะว่าผลานกันหมดไม่มีเหลืออย่างตึกรามบ้านช่องทั้งหลายมันก็แปลสภาพไปเป็นหินเป็นทรายอีกตามเดิมนนะก็ไปอยู่สภาพเท่าเดิมแนละ้ว ทั้โลกมันก็เจริญขึ้นเสือเส่อมเอมจริญเสื่อมเสื่อมเจริญเนี่ยนะอีกภาคหนึ่งวัตถุกรรมเฟื่องฟูงมากอีกวัตถุหนึ่งเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ที่ที่ทะเลทรายอ่ะที่นั้นอนะ่ะคือที่เคยอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมที่ทะเลทรายนะคือที่เคยอุดมสมบูรณ์ใ้รจะไปรู้ว่าอีกไม่นานเนะี่ยตรงนี้จะเป็นทะเลทรายอีกต่อไปก็ได้หรือที่ ท, ที่มันมันพ้นขึ้นเนี่ยคือที่เคยมีน้ําแช่ยอยู่เช่นอย่างประเทศไทยเนี่ยก็คือ ถ, ถ้าที่ <c oughs> เทียบตามทั่วไปก็บอกว่าเคยเป็นท้องทะเลมาก่อนไงก็ดูจากอะไรซากซากหอยซากอะไรที่มันขนาดในเขาสูงเนี่ยนะีก็ยังมีมันเมื่อก่อนก็เคยเคยเป็นเป็นน้ําอีกพักหนึ่งก็จะไปเป็นบกอีกพักหนึ่งก็เป็นกลับไปเป็นน้ําอีกตามเดิมเนี่ยอีกภักหนึ่งเคี้ยวสดอีกพักนึงก็ทีนี้ถ้าสําหรับผู้ที่ยังไม่พ้นวตฏทั้งหลายเนีย่ยนะทุกสภาพนะเราจะต้องไปอยู่ในสภาพเหล่านั้นทุกสภาพ นะถ้าพูดง่ายๆว่าเห็นใครนะที่เราไปเห็นไปได้ฟังนะคืออนาคตที่เราจะเป็นถ้าถ้าไม่ตัดฉันนราคาในอุปาทานขันอันนี้เนะี่ยเห็นทุกคนที่เขามีทุกข์หรือมีสุขก็ตามในโลกนั่นแะหละคือวะของเราเนี่ยว่าที่ที่จะเป็นแบบนั้นพร้อมที่จะเป็นได้ทุกอย่างผู้ชายพร้อมที่จะไปเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงก็พร้อมที่จะมาเป็นผู้ชายก็ได้เนี่ยนะเพราะสิ่งที่เราเห็นคือ คืออนาคตในสิ่งที่เราจะเป็นน่นก็ถ้าแต่ว่าจะเป็นหรือไม่นะก็อยู่ที่ที่ต้นเหตุใช่ไมว่าทำกิจเสร็จหรือไม่อ่ากตัญหาที่จะนำเกิดในพบใหม่นะอย่างทุกคนเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนกับมะม่วงที่มันยังไม่ไม่สุกอ่ะ น, นะที่มันอยู่บนต้นอะ่ะเป็นเป็นมะม่วงที่มันแบบมะม่วงที่เขากินที่มันถ้า เอาลงมาเนี่ยก็ก็ปลูกไม่ขึ้นนะเนี่ยถ้าใครเอาลงอะนะเด็ดลงมาได้แต่ถ้าไม่เด็ดปล่อยทิ้งไว้จนสุกก็เป็นมเมล็ดพันธุ์เป็นอย่างดีของเราทั้งหลายก็แล้วแต่เราถ้าเรายอมจำนวนเนี่ยะจำนวนที่จะให้เออให้มันสุกไปแล้วก็เพาะใหม่อีกก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเห็นโทษว่านี่นะเม็ดอันนี้นะถ้าลงดินเมื่อไหร่แล้วก็ ก็เป็นอันได้เติบโตอีกนะพันธะมันก็อยู่ที่เราเองว่าเราจะภาคเพียรขนาดไหนแต่ถ้าเรายอมจําน้นก็เมล็ดมันก็จะพาะพันลงเพื่อจะปลูกขึ้นอย่างนี้อีกไปเรื่อยไปด้วยอันสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเราเชื่อมั่นคือมีศรัทธาเพียงพอว่าเราล่วงทุกขได้จริงๆถ้าเรามีความภาคเพียรอย่างคําสอนกล่าวเราพ้นทุกแน่นะนะอันนี้ก็เป็นเหตุเพื่อความพ้นทุกจริงจริงแต่ถ้ายอมจําน้นนะมันจะเป็นอย่างที่เรา จำนนเอกเหมือนกันเห็นไหมเราคงไม่พ้นหรอกเราจงต้องทุกข์อีกเป็นแน่อันนี้จะได้ทุกขสมสมความคิดหมดอนะท่ น, น, นในคําสอนเนี่ยอย่างพระปุณณะท่านก็บอกว่าท่านท่านไม่เอาแล้วนะคือท่านขอที่จะพนะ้นอ่ะจะไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวจะไม่อะไรในร่างกายและชีวิตเพื่อจะเจริญศีกขาอันเนี้ยคือจะขอทําตามอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนําเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนะําอ่ะ ช่วยให้พ้นทุกจริงเนี่ยนะคือคือเชื่อมั่นว่าพระองค์นี้ข้ามแล้วทันแนวทางที่พระองค์สอนก็คือช่วยให้เราข้ามด้ว ย, ยนั่นแหละงั้นก็ผู้ที่ภาพเพียรพยายามเพื่อจะข้ามจากทุก์เนี่ยก็กระยิ่มใจได้เลยใช่ไหมว่าอีกไม่นานก็คงพ้นทุกแน่ที่กล่าวไปเนี่ยนะเป็นวัฏฏะทั้งนั้นเลยเรียกว่าวัฏตะคาถา ก็เรยว่าถ้าความเพลิดเพลินเกิดทุกเกิดนะอันนี้เท่ากับพูดทุกขสัตตกับสมุทยัทยสัตว์นี่มาขึ้นข้อ113อันนี้เป็นวิวัตะหรือเป็นนิโรธสัตตกับมรรคสัตว์ดูก่อนปุณนะรูปทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยจากสุอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักอาศัยความใคร่ชวนให้กำนัดมีอยู่ ถ้าภิกษุไม่ยินดีไม่กล่าวสรรเสริญไม่พัวพันรูปนั้นเรากล่าวว่าเมื่อภิกษุนั้นไม่ยินดีไม่สรรเสริญไม่พัวพันรูปนั้นความเพลิดเพลินก็ดับดูก่อนปุณ น, นะเพราะความเพลิดเพลินดับทุกจึงดับนั่นนั้นก็เอานะตรงนี้ไม่ได้แปลว่าให้ไปเห็นนะที่ใดที่หนึ่งสีเดียวกันนั่นแหละที่มันน่าปรารถนาทํายังไงจึงจะไม่ไม่ยินดีอข้อปฏิบัตินะ คิดยังไงกับสีที่น่าปรารถนาแล้วไม่ยินดีไม่กล่าวสรรเสริญมีจิตไม่พัวพันไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนะไม่คลัวไม่พัวพันไม่เกี่ยวข้องในสิ่งนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พัวพันถ้าความเพลิดเพลินอันนี้ดับทุกดับแน่อันนั้นก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละสีเดิมที่น่าปรารถนาเนี่ยคิดยังไงจึงจะไม่พัวพันในสีอันนั้นขึ้นอนอันนี้แหละคือข้อปฏิบัติคิดยังไงจึงจะไม่เพลิน สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเพลิดเพลินคืออะไรนะครูปุชูสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเพลิดเพลินคืออะไรไ อ, อ, อ๋ <st arts> ออ <c oughs> เหมือนก็ บ, บอกว่าไอ้ที่ตรงกันข้ามกับดินคืออะไรคือไม่ใช่ดินงไงแม่ตอบโ <c oughs> อใช่คยยังทั่วหน่อยนะมีองค์ธรรมรับหน่อย ทำไม่ชอบคืออะไรบอกคือไม่ใช่ชอบนี่ไนงะก็แปลว่ามันชังไปเลยนะไหนๆกันไหนๆแล้ว น, น, นะนี่ก็เหมือนกันนะก็คือหมายถึงว่า <c oughs> ทำยังไงที่จะไม่เพลิดเพลินอันนั้นคือหมายถึงเบื่อหน่ายคิดยังไงจึงจะเบื่อหน่ายในรูปที่น่าปรารถนาเอา